ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องวิสาขาสูตรคือพระสูตรที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่ว่ากล่าวโดยนิหาสารก็คือเป็นเรื่องที่ว่าด้วย รักมีเท่าไหร่ทุก็มีเท่านั้นไม่ใช่ความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่บุพารามของนางวิสาขามีคารมาตาใกล้พระนครสาวัตถีคือถ้าเรายืนยันตามหลักฐานในปัจจุบัน คือค้นพบที่สาเหตุไม่เหตุเน่โดยเห็นว่าคำว่าใกล้เนี่ยมันน่าจะเป็นไหนคือน่าจะอยู่ในเมืองสาวัตถีไปเจ่ตะวันน่อยู่ใกล้เมืองสาวัตถีคือใกล้ตัวเมืองใกล้กำแพงเมืองแต่บ้านนาวิสาขานี่บุพารามเนี่ย ัุบุภารามเราก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าสร่างตรงไหนแต่ว่าคล้ายๆกับอยู่คนเราภากเมืองกับประเชศตะวันพระบังคาพระเจ้าเสด็จประทับที่ประเชศตะวันแล้วเสด็จออกปินทบาตแล้วไปเสวยที่บุภาราม บางคราวก็ประทับที่บุพารามเลยรองบินทาบาตแล้วไปสวยที่ประเชตวันเพื่อเป็นการอุเคราะห์ต่อท่านอนาธิบินิกาเศรษฐีกับนางวิสาขามหาบาสิกาแล้วก็ในสมัยนั้นหลานของนางวิสาขามีคาระมานดาเป็นที่รักเป็นที่พอใจตายลง นวิสาขาก็มีภาพเปียกผมเปียกเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเชียงถาวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรส่วนั้างหนึ่งแล้วข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมภาพเปียกผมเปียกคือดูแลจะเป็นคำเ ย, ย็นหนึ่งๆลยนะ ถ้าเราสังเกตรประเพณีที่มีอยู่ในสังคมอินเดียในปัจจุบันเวลาที่เกี่ยวกับเรื่องความตายเนี่ยเขาจะวักนํามารูปศีรษะแต่เรามองตัวนางวิสาขาในขณะนั้นนางวิสาขาก็เป็นพระโสดบาบันมละศิลป์พระตัดรามาสได้แล้ว มันก็อาจจะเป็นการ น, นวัดตามกระแสของโลกจะทำตามกระแสของโลกผ้าเปียกแล้วก็ผมเปียกไอผ้านั้นคงจะเปียกพลอยพอยเปียกไปตามผมนะฮเพราะเมื่อราน้ำสาวหัวผมก็เปียกผ้าก็ต้องเปียกแต่ปัญหาที่น่ามองก็คือทำไมให้ไม่เช่เสร็จเรียบร้อย เตยขภาพระพุทธเจ้าลักษณะเหล่านี้ก็ปรากฏในที่อื่นนะว่าจะฝ้าในลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นทุกทุกเวทนาที่บีบคั้นจิตใจของท่านเพราะว่าอริยสาวกระดับโสดา บ, บันเนี่ยมล่าสังโยน์คือสำหรับสังโยน์ด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าอย่างยาก เราจะนวสักายทิจิก็มีอาการของโมหะกับโลภะทิจิกิสาก็คือโมหะศีลปัตตรมาศก็คือโมหะก็หมายความว่าเป็นสังโยชน์ที่เทียบกับสังโยชน์ด้วยกันก็ถือว่าสังโยชน์ระดับยาบก็หมายความมกะละกิเลสประเภทโมหะมา ก, ก่อนแต่ว่า ความโศกเนี่ยมันเกิดจากปิยวิปโยคแต่ปิยวิปโยคมันก็เกิดมาจากกรมราคะเกิดมาจากกรมตัตนาเกิดมาจากเพราวัตนาเกิดมาจากโกรธเกิดมาจากราคะนะนกิเลสประเภทเนี้ยประเภทคว้าเข้ามาหาตัวเนี่ยเรยกชื่ อ, อยังไงก็ช่างเพราะเราดูสโสเกหิตปิดเดวหิตดุเขหิโดมนาเซหิอุปายเซหิตอะไรต่รรางที่ ทรงแสดงผู้ปฏิบินากากทุกทั้งหลายเนี่ยท่วใหญ่แล้วจะเกิดมาจากการพลัดพลาดสูญเสียเพราะถ้าเรามองกลับไปที่อภิษหาปเจเิคขณะเออทำไมอภิษหาปเจเวคขณะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาในสี่เรื่องให้ยอมรับเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่สีเรื่อง ทีชีวิตทุกชีวิตจะต้องเผเชิญต้องประสบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามทำใจให้ได้คือเจรตาโมพิจรังนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ยาที่ทำโมพิยาทิงนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โมนณทโมพิมอนางนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ มันลึ้ถึงความตายนะฮะถ้าเราพิจารณาไว้ บ, บ่อยๆเนี่ยมันจิตมันตั้งหลักได้ผมวาภัยคุกคามเข้ามาใกล้จะตายมันก็ไม่มีอะไรคือทำใจให้ดีแล้วแค่นั้นนั่งหลับตารำลึกถึงความดีบุญกุศลต่างๆแล้วก็ให้เขาเอาสายระโยงยางอะไรต่า ง, งๆออกเขายุ่งเปล่าเสียเวลา ตายก็คือตายเลยนะ่ะถ้าเราทําใจได้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปยืดอายุอะไรชีวิตมันยืดมันก็มันไม่ถึงได้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์อะไรนอนอยู่ในห้องไอซเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่สมบูรณ์อะไรเราตั้งสติให้ดีกำลังกายเราดีกำลังจิตเราดีเราก็ตายไปลึกถึงความดี จิต ใ, ใจผ่องใสตายไปก็บังเกิดในสุคติก็ไม่เห็นมันเป็นเรื่องเสียหายอะไรยังไงๆมก็ตายอยู่แล้วตรงนี้ปัญหาที่มันยื้อชีวิตกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาวันก่อนที่ยื้อกันอยู่ได้กั้สิบห้าปีคือคือคนไปอุปาทานาเฉยๆถ้าเข้าใจว่าความตายเหมือนที่จริงตายอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมติมรณนะคือสมมติว่าตายเฉยๆ ตายปั๊บก็เกิดตุ๊บเนะ่ยปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องรับผิดชอบในปัจจุบันก็คือทำความดีมากไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องอาศัยในการเดินทางไกลของเราทำยังไงจะสามารถประคับประคองจิตให้อยู่ในกระแสของกุศลก่อนจะดับจิตได้ตายก็คือตายนะ คือประสบการณ์เหล่านี้มีเคยมีครั้งหนึ่งอาตมาเคยมันไปแพ้ยาขาดห้องน้ำขาดห้องน้ำนเกิดแพ้ยาขึ้นน้ำตาลมันขึ้นพูดไปสี่ห้าร้อยเลยช็อกเลยหมอก็ส่งรถมารับไปโรงพยาบาล แต่ความรู้สึกของเราเหมือนอยู่อีกโลกหนึงนะ่งอ่ะมันก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรมันกว้างๆไงสอกคนรู้สึกสบายสบา ย, บายนึกว่าดับไปเลยก็ดับไปเล ย, ยไม่ติดใจอะไรหมอทำไงก็ทำไปกว่าจะตั้งหลักได้ก็นานนะนะแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรก็รู้สึกสงบสงบ ก็ยังนึกว่าตอนนั้นมันก็ไม่ถึงมระสะลลแต่ไม่ถึงก็จะมีสติอะไรดีเท่าไรอยู่ในตรง น, นั้นแล้วก็จากกุฏิไปเนี่ยก็หามขึ้นแล้วก็รู้บ้างไม่รู้บ้างโดยยางนี้กเออคนใกล้ใกล้ตายคงอยากแนวเนี้ยแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวที่ี้ลการ สเบหิเมหินาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจากระเว้นเป็นต่างๆก็จากพระรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปอันนี้ในแง่ของความเป็นจริงเหรอพระราทุกวันแล้วของก็รักนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่มันแลกเปลี่ยนมาเช่นเราต้องการอาหารเราสตางไปซื้อมันก็พระรา โดยเฉพาะชีวิตเรามันก็ไหลไปเรื่อยคนที่เรารักก็พลาดๆกันไปเรื่อยแล้วก็จริงเนี่ยบางทีมันก็ ต, ต, ตั้งหลักไม่ได้ถ้าเหตุผลว่านางวิสาขาหลานสาวคนนี้คือนางวิสาขานี่แกมีลูกยี่สิบนะมลูกยี่สิบเพรา ะ, ะนั้นก็มีหลานเท่าไหรล่ล่ะหลานแต่ละคนเนี่ยมีลูกคนละยี่สิบ มีหลานสี่ร้อยคหน้าดวแล้วก็มีถึงเหลนแต่อันนี้มันมันเป็นเรื่องการเล่าระดับอัตกคถามามานั่งลองคิดเล่นเล่นว่าเอ๊ะท่านท่านเล่าอย่างเงี้ยมันก็มองไปในมุมเดียวคือเรานึกว่านางวิสาขาเจอพระพุทธเจ้าที่พัทยนาคอนนะนะ ก็อยู่ในแคว้นอังคมะมคธะเป็นอังคะเป็นอังคะเบนตะาาเศรษฐีมอบภารกิจให้มีหน้าที่รับสเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นหลานตาหลานปู่นะก็เธอายุถึงเจ็ดขวบเั้งนั้นเองและในการต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่มงสาเกต เพราะว่าพระเจ้าประเสนมกุศลได้มาขอกับพระเจ้าพิมพิสารว่าขอผู้มีบุญหนักอะเศรษฐีที่มีฐานะดีเนี่ยให้เข้าไปอยู่ที่สาวัตถีสักคนเถอะสาวัตถีไม่มีเศรษฐีเลยที่ราชเครือมีเศรษฐีเยอะอันนี้ก็อย่างที่เขาว่าเมืองใดไม่มีพานิชย์เลิดเมืองนั้นไม่เพริศพิสมัยบนนักธุรกิจชั้น อ, องค์เนี่ยต้อง รักษาไว้นะับพวกนี้มีบทบาทสำคัญมากม่งั้นเศรษฐกิจของชาติไปไม่ได้หรอกถ้าไม่มีระดับนั้นเพราะฉะนเมื่อไปอยู่ที่นั้นตอนอายุตือสิบหกปีนี่ก็แต่งงานแต่งงานกับบุณณวัฒนากุมารแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองสาวัตชีเพราะว่าในเมืองสาวัชีคนมันแน่น คนนอ่านด้ดเยกกันมากเพราะงั้นต น, นันทยเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ไปสร้างเมืองอยู่ที่เมืองสาเกตอยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองสาวัตถีก็ถ้าตามใี้ท่านว่าก็ไกลพอสมควรคงเปลี่ยนรถทั้งเจ็ดผัด้วกันเออตอนตอนตอนแต่งงานเนี่ยยิก พี่มันก็ต้องนึกนะว่าเมื่อนาววิสาขายุสบหกเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าพรรษาทลายเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าก็าแก่ทุกวันเหมือนกันผ่านการเวลาไปทุกวันเหมือนกันตอนเธอเข้าเฝ้าเนี่ยเจ็ดขวบพระพุทธเจ้าต้องจัตรู้มาแล้วไม่น้อยกว่าเอาสักสองปีก็ได้แค่ไหนก็นแสดงพระพุทธเจ้าสามสิบแปด ในขณะที่เธอเจ็ดขวบพุ่เจ้าสามสิบปดพอเธอสิบหกเนี่ยจะเลืมเก้าปีก็แสดงว่ารุเจ้าต้องสี่สิบเจ็ดทีนี้กว่าจะเธอแต่งงานแล้วก็มีลูกเนี่ยปกติจว่าลูกเธออายุสิบหกนี่แต่งงาน กันในขนาดนั้นเหละเธอก็อายุสามิสอง่ะเมื่อสามิบสองก็ต้องเพิ่มพระพุทธเจ้าขึ้นอีกสิบหกด้วยรเราเห็นว่าพระเจ้าไปห้าสิบกว่าแล้วทีนี้เมื่อเธอมีหลานเนี่ยตีต่างเดียวว่าลูกของเธอแต่งงานแล้วก็มีลูกหลานคนแรกเลย แลหลานคนนี้ช่วยยายมากในกิจการต่างๆเป็นที่รักเป็นที่บุกพันยายมากก็อายุอย่างน้อย ก, ก็สิบห้าสิบหกจึงจะช่วยเหลือกิจการของยายได้เตียเลยมาผู้จ้าก็ต้องไปสิบหกด้วยนาวิชากาก็ต้องไปสิบหกด้วยนับไปนับมามันเกือบถึงจีนนิพพานแล้วนะ 7จ็ดทีเจ็ดเจาพันปีที่7จที่เจ็ดเจ่ปปเห็นแล้วปีนี้ค่อนข้างมีปัญหาเนะเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงปลายๆเนี่ยนักวิสาขาไม่มีชื่ออยู่เลยแต่นักวิชาขาไม่ตายแน่เพราะว่าอายุเธอตั้ง120ร้อยจึงตาย ในขณะเดียวกันพระอาจารย์เขาก็เล่าว่ามีลูกหลานเหลนะลูกหลานเหลนห้อมล้อมในคราวสร้างเนี่ยคราวสร้างบุพาราัอยู่ตรงเหลนเนี่ยถึงเหรนอายุมันไปโน้นแล้วนะคือถ้าเหลนสายตรงอย่างนี้อายุตรงไปถึงแปดสิบแล้าลืมมาถ้าเธอแปดสิบเนี่ยพระเจ้าตอนนี้ผ่านแล้วนะะ พระเจ้าดำรงพระชน์อยู่แค่สี่ห้าปีเท่านันเองเพราะนั้นปัญหามันมันมันมันจะเกิดในเรื่องปีเนี่ยเราจะรู้สึกมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยพอลองมองใ น, ในแง่ของประวัติศาสตร์แง่ของกาลนี่มันไม่ให้แต่ในตรงนี้วิธีเขียนหนังสือของพระตอาจารย์เนี่ยท่านมักจะมองมุมใดมุมหนึ่ง โดยไม่ได้มองบางมุมนะเช่นตัวอย่างพูดถึงชัมพุกาชีวกยืนขาเดียวกินอุจจระเป็นพักษาอยู่ห้าห้าปีและจุนพระสุกริ ก, ก็ฆ่าสุกรอยู่ห้าปีนายโคฆ่าก็ฆ่าโคอยู่ห5ิ้าปี ลเลห้าสิบห้าปีไม่เล่กอะไรแล้วการที่ท่านถูกขับออกจากสำนักเนี่ยมันขับที่สาวัถีแสดงพุทธศาสนาก็แผ่ก็ไปที่สาวัถีแล้วพันศาของพระพุทธเจ้า ก, ก็อย่างน้อยก็เจะรู้มันเจ็ดปีแล้วก็รสรุปว่าพระชุทศาก็ต้องสี่สิบห้าสี่สิบกว่าแล้ว ก็อ้างเหตุผลว่าพวกสมณาสักยบุตรมาเห็นข้าวจะเอาไปพูดรอายเขาเลยก็ขับไ ล, ล่ออกจากเยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยห้าสิบห้าปีเลวพระเจ้าไปบทถ์เลมันดูนัินหมดเลยตัวเลขเนี่ยตั้งห้าสิบห้าปีนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเน่ยพระกุธเจ้าดำงรงก็ชนอยู่หลังจากรับพระเชตวันเนี่ยก็คงไม่ถึงสี่สิบะ มันจริงๆแล้วในปีเนี่ยมันขัดกันท่านบางครั้งก็ต้องเออต่อท่านอาจจะจําเผลอไปก็ได้แต่ว่าคือเรามองในแง่มุมของประวัติศาสตร์ด้วยมันก็จะเกิดความเข้าใจความชัดเจนนะฮทีถ้ามองในแง่ธรรมะแล้วเราก็เห็นคัดคือไม่ต้องไปยุ่งกับประวัติศาสตร์ ข้อเวาท้จริงในพระพุทธศาสนาเราต้องมองแค่ข้อคามแท้จริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์ท่านไม่มีเจตนาจะนำเสนอในมุมนี้ในมิติของประวัติศาสตร์ท่านมีเจตนาจะเสนอในแง่ของธรรมะกับในแง่ของปฏิหารพระถ้างมองเห็นในแง่ของธรรมะกับแง่ปฏิหารได้ก็ถือว่าช้ได้ถูกต้อง ทีนี้ระพุทเจ้าก็รับสั่งเป็นการรับสั่งที่คนข้งแปลกรับสั่งว่าเชิญเถิดวิสาขาเธอมาแต่ไหนมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาในที่นี้ในเวลาเที่ยงมางวิสาขาก็กลับทูนว่าหลานเขาหม่อมฉันเป็นที่รักเป็นที่พอใจ ทำกาลัเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นองค์ฉันจะมีภาพเปียกมีผมเปียกเข้ามาณนะที่นี้ในเวลาเที่ยงเจ้าค่ะคือไม่ได้บอกเหตุที่ต้องภาพเปียกผมเปียกก็เข้าใจว่าเป็นธรรมเนียมอย่างที่เคยว่าเนี่ยเพราะว่าแม้แต่แถวเนปาลเวลาเนี่ยแถวเนปาลแตอินเดียเราไม่ต้องพูดอนะ่ะอินเดียนในชัดเจนว่าเอาน้ําไปลูบหัว เวลาไปคุณจะเป็นความคิดในแนวลังบาปพอทําไปทํามาดูแล้วอินเดียก็จะเชื่อเรื่องแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ทานองคล้ายๆกับแม่น้ําทุกแม่น้ํำจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เฉพาะคงคาแล้วก็นอกจากปันจะมานาทีหรือบางครั้งบางคราวเขาก็บอกว่ามันไปเชื่อมโยงกับแม่น้ําคงคา เธอเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ลองสังเกตวิธีการของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตั้งประเด็นว่าพิสาขาเธอเธอปรารถนาบุตรได้หลานเท่ามนุษย์ในสาวถีหรือเธอก็บอกว่าต้องการอย่างนั้นหม่อมฉันปรารถนาบุตรหลานเท่ากับมนุษย์ในสาวถีเจ้าข้า คุณอารับสั่งถามมาเออมนุษย์ในสาวัตเนี้เขามีเท่าไหร่เขามีตายกันวัน ล, ละเท่าไหร่เพืว่ามีสิบคนบ้างเก้าคนบ้างแปคนบ้างเจ็ดคนบ้างก็สรุปว่าไม่มีที่วันวันไหนที่ไม่มีคนตายอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยต้องตายทีนี้ประเด็นตัวนี้มันในแต่กระถาธรรมบทเรื่องนี้ก็ปรากฏในกระถาธรรมบุ พระตถาจารย์ท่านบอกว่ามเมืองสาวัตถีขนาดนั้นมีมนุษย์อยู่เจ็ดโกดเจ็ดโกดคือเจ็ดสิบล้านนะพผู้เป็นเล่นไปอ่ะประเทศไทยยังไม่ถึงเจ็ดสิบล้านเลยสาวัตถีไม่ได้มืองใหญ่โตอะไรนะเพรา ะ, ะนั้นพอเอาตัวเลข้ะยุ่งทุกเหียมันมันมากเกินไปมากเกินเราจะรนนึกไม่ออกอ่ะ เข อ, อยู่กันยังไงดูยังไงกินยังไงอาบน้ําที่ไหนอะไร่ออะไรต่างๆมันสารพัดเลยธรรมะกินกันยังไงมันปัญหามันมันคําถามมันมีเบื้องหลังเยอะนะ่ะการที่มีคนมากเนี่ยคําถามจะตามไปเยอะเลยวันพระเจ้าเถึงรับสั่งว่าคิดเรื่องนี้ยังไงถ้าอย่างเงี้ย ถ้าเป็นอย่างนี้จริงพอหลานเธอเธอตายพอลูกเธอตายเธอร้องให้ก็แสดงว่าเธอต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกทุกๆุกวันเพราะว่ามีคนตายทุกๆกวันแล้วก็รับสั่งให้คิดว่านักนวิสากาก็ก็กล่าวทุนว่าไม่ใช่อย่างนั้นจะขาบพอเพียงแล้วด้วย บุตรและหลานมากเพียงนั้นแก่หมอมฉันก็ซักได้สติทีนี้พระพุทธเจ้าก็สง่งทรงยกตัวอย่างให้ดูคือเราจะเห็นว่าสมัยนั้นมันไม่มีเอกสารเป็นงาน ร, รับสายค่อยค่อยคิดในค่อยคิดก็ต่ไปเรื่อยๆลงมาจากมากมาหาน้อยคือตั้งตั้งที่ร้อยพอผูดด้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งร้อยเนี่ย ผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งอมีเก้าก็มีทุกเก้าสิก็มีทุกแปดสิบก็มีทุกเจ็ดก็ลงมาเรื่อยๆนะลงมาเรื่อยๆจนมาถึงหผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นจะไม่มีทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีโศกปราศจากกิเลสทุลีไม่มีอุปายา อาะไรว่ามนุษย์คนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเนี่ยรู้ได้นะแต่ว่าทำยากหมายความว่ามีก็ไม่ยึดมีก็สักแต่ว่ามีแต่ก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดมันก็จบมีก็เหมือนกับไม่มี แล้วฟังคงนึกออกนะฮะตรงนี้ข้อความคล้ายๆกับผุดถัดสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตสระนกรรมปติอโศกังวิริชังเขมังเอตมังกะละมุตมะเมื่อโลกธรรมมากระทบคือเจอลาบยศ ส, สรรเ ส, ส ร, ริญ ส, สุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศมีธาทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวอโศกังไม่โศกวิริชังปราจะจากธุลีเขมังกเกษมยจิใจกเกษม ในที่นี้มีคำว่าไม่มีอุปายาตพาเพราะว่านางวิสาขานั้นเธอมีลักษณะอุปายาคือครับแค้นใจอยากให้หลานดะรงดู่แต่หลานตายทาใจไม่ได้ก็เกิดปกิเลประเภทอุปายา่าขึ้นมาคือครับแค้นใจทีนี่ในแง่ของความจริงเนี่ยเราถ้า ด, ดับ สมพูดง่ยว่าดับปัญหาได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ดับหมดมันไม่รู้สึกว่ามีตัวตนให้มีเพราะสิ่งเหล่านั้นมีก็สักแต่ว่าบิเป็นก็สักแต่ว่า เ, เ, เป็นได้ก็สักแต่ว่าได้ก็จบอยู่ ต, ตรงนั้นใจไม่ผู้งยึดสมมติว่าใครมามาให้อะไรแก่ท่านผู้นั้นแล้ววางไว้เนี่ย แล้วคนมาหยิบชวยไปท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านของหายเพอท่านไม่รู้สึกว่าท่านมีของนั้นมันไม่รู้สึกว่ามีมันก็ไม่รู้สึกว่าหายแล้วลองนึกเกิดจริงจริงมีพูดพูดกับพูดถือคือเราไปคิดกับเองว่าเรามีอ่ะที่จริงเราไม่มีมาตั้งแต่ต้น แล้วเราก็เร่มีขึ้นมาเรื่อยแม้แต่ตัวร่างกายเราเนี่ยเราก็ไม่มีมาแต่ต้นอาศัยการเกาะกลุงมของสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นา ม, มาธรรมแล้วก็กลายเป็นชีวิตขึ้นมาชี้ิตก็ผ่านระบบการเติบโตแล้วก็ตายจะในคันก็เยอะนะคนเวลาเนี้ยถูกทำแท้งไปก็เยอะ คอดมาแล้วก็ถูกทิ้งตายก็เยอะทีนี้ตัวตนเนี่ยพอมันประกอบพร้อมเนี่ยมันติดอยู่ในจิตมนุษย์อะก็เรียกว่าตันหามานาะทิฐิเนี่ยมันติดอยู่ในจิตมนุษย์อะแต่มนุษย์ก็ถูกกระตุน้นถูกกระตุ้นให้ไปเพิ่มอัตราตัวตนขึ้นแต่การรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ย มันก็คงมีมานตะเดิมมาแหละเราลองสังเกตว่าเด็กเกิดมันถึงแกก็ร้องไห้สแสดงว่ามีตัวตนไปรับความเจ็บปวดที่กระทบกับบรรยากาศข้างนอกมีปฏิกิริยาโ ต, ต้ตอบแต่่าพูดไม่ออกเลยร้องทีนี้พอได้สิ่งนี้ชอบใจเนี่ยก็สแสดงก็มีโลภะอยู่ก็พอใจชอบใจนะ ก็ยยิ้มหรือบางทีก็ดังอือออื้ออะไรต่างๆอะทำธรรมศาสเด็กนะเพราะเชืว่าอัตตาเนี่ยมันติดมาตั้งแต่ต้นแ่ะวมันสึกเป็นตัวเป็นตนทีนี้เราไปตอกย้เข้าเราก็ไปอบรมเข้านะลูกคนนั้นพ่อคนนั้นตระกูลเป็นอย่างนั้นมีฐานะอย่างนั้นมันก็เสริมอัตตาขึ้นกันใหญ่โตเลยมันเกิดเพิ่มเป็นมานะว่าเราเป็น เ ร, เ, งงเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นโอใหญ่มากแล้วเคยเจอนะอามายัางเคยเจอบานานแล้แยจริงๆก็เจอเจอเด็กฐานะทางสังคมคดสูงถูกสมมติว่าสูงเลนะคืออายุแกย่างน้อยรอยนะักโอไอกิเลสมนุษย์ยังไม่ใช่นเลน่นเนี่ย เก้าอี้ธรรมดาเนี่ยเก้าอี้ธรรมดาที่ว่าพ่อเขาเคยนั่งคนอื่นไปนั่งเขาไม่ยอมโอ้โหยังนึกว่าเออมนุษย์นี่ยไม่ใช่เล่นนะเนี่ยมือยึดติดในอาตาตัวตนไม่ใช่เล่นเลยแล้วก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กออยังนึกว่าเด็กคนนี้ต่อไปเธอเติบโตมาแล้วเธอจะอยู่กับสังคมก็ได้ยังไง แต่เมื่อ จ, จิตใจเธอแบ่งแยกหลือเกินแล้วก็อัตราเธอเขื่ยงมากทั้งๆที่ตัวเล็กนิดเดียวหรือจะไม่จบปอสียังไม่จบปศสีได้ซ้าไปนะนรนัน้จบปศรีได้ซ้ไปอันนี้นก็คืออัตราตัวตวนมันมันรู้สึการบเป็นพอเป็นเราจะเห็นว่ามันก็รื่นรนเพื่อจะตอบสนองมันก็กลายเป็นตันหาเอ่อมนุษย์จึงไขว้ควา้าเพื่ อ, อนปลื้ออัตราตัวตนเนี่ย เป็นความยึดติดในความเป็นของตนแล้วก็ยึดติดในความได้ของตนพอสิ่งเหล่านั้นมันพลาดพลาดเราก็โศกเ พ, พ, พราะพลาดพลากในขณะเดียวกันเราก็ดีใจเพราะได้มาแต่ว่าในขณะเดียวกันลึกๆเนี่ยมันมีตัวกังวนหวาดระแวงกลัว ถาพือลองสังเกตนะเราลองสังเกตเราไปไหนสมมติว่าในรถเราไปบรรทุกของไว้ของราคาพแพงๆนะอยู่ในรถของถูกต้องตามกฎหมายแต่ราคามันแพงเป็นแกแหวนเงินทองหรือมีเงินสักล้านสองล้านใส่ไปในท้ายรถยังงเนี้ยมันสยองไงใจไม่ปกติมีความหวาดระแวงวิกตกกังวลกลัวภัยอันตรายต่างๆ อะแต่สูงส่ยสูงส่ยเนี่ยอะไรแต่ไรแต่ ร, รู้สึกว่าเรามีเราเป็นเนี่ยรู้สึกเรามีเราเป็นแล้วมันยุ่งอันนี้ผมก็ทําให้นึกเลยถึงถึงป้าเราเนี่ยถ้าเราอย่างยังนึกอยู่วันก่อนวันก่อนในที่ไปอะไรอ่ะทําบุญแผ่นดินไทยที่ว่าสมานในฉันระหว่างภายในชาติระหว่างศาสนาต่างๆ เราอยังนึกว่าแถวแถวแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยแสวนึงกับแถวสองนี่ยระดับชั้นหิรัญยบัตกับชั้นสองระดับพิรันบัตกับชั้นธรรมแถวหนึ่งก็ระดับพิรัญยบัตกับสมเด็จเนี่ยคือท่านยังนั่งกันตามลำดับสมณศักดิ์ของท่านนะบางท่านยัไม่มีพัดแต่ว่าแถวที่สี่มาอยู่แถวที่มาอยู่แถวที่สามันเป็นชั้นเทพ แล้วก็มองไปก็เออพอมาถึงชั้นนี้ปรากฏว่าไม่ได้ยึดยศอะไรทักไร่ก็นั่งเงินตังสบายก็ส่วนใหญ่ก็ใช้พรรษาก็ไม่ถึงนะไม่ถึงเล้ใช้พรรษาแต่ใครมาก่อนก็นั่งไปก่อนรจริงก็ไปสวดมนต์เฉยเนะี่ยไปเอาอะไรมากกะไม่ต้องยึดติดอะไรมนักหนาะตั้งแต่ไหนก็ได้จะมีประโยชน์ก็พอแล้วนั้นเลยเห็นว่า ถ้าเรารู้สึกมีเท่าไหร่เนี่ยทุกเราจำอะจะตามขึ้นไปอะให้เราแม้แต่เราเรามีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เรามีบ้านอยู่ที่หนองคายเรามีบ้านอยู่ที่สงขลาเรามีบ้านอยู่ที่กรุงเทพสมมติมมีเักสี่หลังเนี่ยนอนไม่สงบหรอค่าโทรศัพท์ที่สอบถามเรื่องบ้านเนี่ยเรื้อนนึงเยอะนะฮะถ้าเราบวกสตารไว้แล้วในความมีเนี่ยที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสุขเสมอไป มันจะรู้สึกว่าเราพร่องอยู่ตลอดคือมันไม่ตอบมันไม่สามารถบอกได้ว่าอิม่มว่าพอว่าหยุดคือนางวิชาขาเราลองนึกดูว่าเธอมีลูก20นะมีหลาน400แล้วก็400คุณ20ก็ไปนะฮะสองก็48ก็ 8,000 เยอะมากเยอะเยอะมากมากคนคนเดียวนี่แต่กิงการสาขาไปสามสิคนไปตั้งแปดพันเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล่นเนี่ยทุกคนก็เท่าทุกตามเข้าไปที่เรายึดไอ้ตัวยึดเนี่ยที่กล่าวโดยสรุปประสังคิตเตนะปัญจุปาทานะคันธาทุกขากล่าวโดยสรุปและจิตที่ไปยึดมันถือมัน ในขันท่าห้าเนี่ยว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ที่พระเจ้ารับสั่งตรงเนี้ยตัวเนี้ยที่อะไรมีเพลงสมัยหนึ่งรู้สึกประสมยศเป็นคนร้องที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์น่ะมันก็มาจากเนี้ยมาจากพุทธธรรมหลักที่พระเจ้ารับสั่งแก่แนวสาขาในที่จริงไม่ตรงโต้งขนาดนั้นนะฮะ ที่รับสั่งว่าความโศกก็ดีความร่ําไรก็ดีความทุกข์ก็ดีมากมายหลายอ ย, าอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะว่าปัจจิยนกาทุกข์เราลองนับสังเกตนะปัจจิยนกาทุกข์มีแปดอย่างสภาวะทุกข์มีสามอย่างคือเกิดแก่ตายดังนั้นการทุกข์จรแล้วก็ะกลุ่มได้เนี่ยที่จริงในพระบาลีจะแน่กว่าเยอะนะจะแน่กว่าเยอะแต่มันก็ไปยึดโยงอยู่กับเนี้ยยึด เพามันเป็นมันเป็นผลทุกข์ยังไงเป็นผลมาความถ้าตัญหาเธอมากมาหน้าเธอมากที่ที่เธอมากแอบความทุกข์เธอเกิดมากมันเดือดร้อนนะฮะแม้แต่ว่าอาสนะไม่เหมาะสมแก่ตัวเองรถไม่สมศักดิ์ศรีตัวเองมันต้องนั่งรถเบน่ะไปนั่งรถโตโยต้าไม่ได้ไม่สมศักดิ์ศรีโอ้มันมันสารภาพอะไรกันแล้วเนี้ยคือแม้แต่ เคยเจอพระทิวัดเนี่ยทุกวันท่านเป็นเจ้าคุณไปแล้วตอนนั้นท่านเป็นพระครูเดีนึกขำเขาก็ให้เจ้าคุณเนี่ยไปนั่งรถอีกคันหนึ่งแล้วนอนนั้นนายให้พระครูนั่งท่านไม่ยอมนั่งฮะกลับกฏจีเลยหรือไม่เกียดท่านก็ที่กิมมตอมเนี่รไปอยู่แ คือบางบางทีเราก็เหนนเน็นเป็นเรื่องตลกอ่ะคนก็เป็นเรื่องตลกไปมันไม่สำคัญที่นั่งอะไรหรอกมันสำคัญอยู่ที่ว่าคุณธรรมภายในใจของเรามากกว่ามนุษย์เนี่ยแล้วโดยเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้สารพัดเนี่ยเพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักทั้งหมดเนี่ยไปผูกโยงกันหมดสัตว์หรือสังขารนันเป็นที่ัก หมายความว่ามันก็ผูกโยงกับสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตอย่างที่บอกไว้บ่อยๆนะเพราะว่าคพื่อการมองกานความเป็นจริงเนี่ยสีห้ามันครอบจักรวาลหมดแล้วเราสีห้าอย่างเดียวสีห้าที่จริงเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะแต่มันก็คือนามรูปแะนามรูปที่ปรากฏในสีหานี่หมดโลกแล้วมันเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิต เยวจะพูดว่านามรูปก็ได้พูดว่าสังขารมีใจครองกับไม่มีใจครองก็ได้พูดว่าขันห้าก็ได้มันหมดโลกแล้วเพราะฉะนั้นีห้าจึงเป็นอุบายวิธีในการสอนพุทธเวณในกองมุทธเจ้าที่เยี่ยมมากข้อนี้เดียวแต่ถ้าเข้าถึงแล้วมันครอบจับกรวาล เราอย่าลืมว่าศีลห้าตัวปานะตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นขันห้าเป็นรูปน้มเป็นนามรูปเป็นสสารเป็นพลังงานเป็นสังขารที่มีใจครองอธินาทานเป็นต้องสองอย่างเป็นต้งมีใจครองและไม่มีใจครองกามีสุมิจฉาจารเป็นสี่ที่มีใจครองเป็นสัตว์ แล้วก็มีใจคลองเป็นสัตว์มันก็ต้องมีใจคลองไงครมุสาวาตเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งมีใจคลองกับสิ่งมีใจคลองคือเป็นสัตว์เป็นสัตว์มาสื่อสารกันไอสุรามันเองมันไม่มีใจคลองหรอกแต่ว่าสัตว์ที่มีใจคลองง่เองไงไปยอมสยบมันแต่น้ำเฉยๆนะสิ่งเดติดเฉยๆก็ๆๆตลกอะ่ะตลกคล้ายๆกับอะไรที่เขาพูดว่าหมูวิ่งชนฝังตอ มันื่องอะไรอ่ะรู้โทษของมันชัดเจนเห็นเทอกองมันชัดเจนสามารถอธิบายได้พูดปรัชญาได้พอคอแห้งขึ้นมาก็ลื่มเล่าเพลินเลยได้ดูฮะได้ดูเพ่อนพวกนี้มันก็ออกมาออกมาในรูปแบบต่างๆ ต, ตามความเข้มข้นของความรู้สึกเมื่อตัวเองประสบความพลัข์ทราก เราสังว่าเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไรและความทุกเหล่านี้ย่อ ม, มือปัญหาว่าเรารู้สึกรมีเราได้เรามีเราเป็นหรือเปล่าทุกอย่างอย่าเอาเราเข้าไปบวกแล้วก็จบละเช่นเขาดา่ดามาเราไม่เอาตัวตนเข้าไปรับอะไม่ได้คิดว่าเขาด่าเรา เป็นเรื่องของคนที่น่าสงสารคนหนึ่งประกอบด้วยอกุศลทางกายกับทางวาจาและทางจิตกิเลสบังคับให้คิดกิเลสบังคับให้พูดเธอทําบาปด้วยปากเธอคิดบาปด้วยใจเป็นบุคคลที่น่าสงสารมันไม่ใช่เบุคคลที่ควรเก่การโท้ตอบมันเรื่องอะไรล่ะ เขาลงไปในหลุมมจาระแล้วเราจะกระโดดลงไปด้วยเรื่องอะไรก็ลปล่อยเข้าไปเราไม่อัตตาตัวตนเข้าไปรับเพราะอัตตาเนี่ยต้องให้ใหญ่เนะี่ยเป็นไว้แต่ไหนกันมีที่เขาสมมุติกาหนดให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีจบก็คือจบบทบาทเหล่านี้เป็นเรื่องที่ คือบางทีนี่เราเทศเราสอนอะไรคนนะแต่อ เ, เอาก็จริงเราก็ทำไม่ได้ตัวอตตาตัวตน่ตตตยังยังอยู่แล้วเราจะเห็นว่าความยินดียินรายย้ายยังมีอยู่ภายในใจของพระโสดาบันตัวนี้มันเกิดจะยินดียินร้ายนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่ามีมันก็ไม่มีมันเหมือนกับแขกมาเยือน อบอกขอมาพักสักคืนตรงนี้ไปพักก็ก็พักไปก็ไปนม่อะไรไม่มีความรู้สึกผิดปกติอะไรเลยเพราะใจเรารู้วันตัวรู้เนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวสำคัญที่จะตัดโสกร ก, กระเบรเทวทุกขโทมนัสตุปายาอะไรต่างๆออกไปพระเจ้าทับสั่งว่าเพราะเหตุนั้นแลผู้ดใดไม่มีสัตว์หรือสังขารนั้นเป็นที่รักในโลกไหนไหน ผู น, นั้นเป็นผู้มีความสุขปราถจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศกปรารถนาปราถจากกเกลเอ็ดุรุธุลีไม่พึงทําสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนไหนอย่าไปกําหนดนะอย่าไปกําหนดมันทั้งหมดที่จริงเรากําหนดเองรักเรากําหนดเอาชังเรากําหนดเอาเป็นของเรากําหนดเอาเป็นของเขากําหนดเอา ล้มลดยังไงก็ตามให้รู้เท่าทันว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะก็เกิดมันก็เกิดเขาจเจริญเติบโตเราก็ไม่ติตาเขาเขาตายมันก็เป็นธรรมดาธรรมดาที่ต้องตายเขาตายไปก่อนเราก็ตายวันหลังก็ไม่เห็นมีอะไรอะ่ะเขาก็ตายเราก็ตายในเสร็จแล้วเราก็แต่ละชีวิตมันคือสัตว์เป็นศพเป็น รอการเป็นศพตายอยู่วันใดวันหนึ่งอนนี้ยังกล้เข้ามาเท่าไหร่นะที่ยี่สิบห้าเมษายนเนี่ยมาครบเจ็สิบเอดเดนี้เอเราก็จะเจ็ดสิบสองแล้วถ้เราอายุแปดสิบเราก็อีกแปดปีเราก็ตายแล้วนะในปีนี้เดีกยะเลยนั่นไปเนี่ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่อยู่ทำไมเป็นภาระของคนอื่น เดี๋ยวถ้าอยู่เราทำงานได้สนองงานพระศาสนาได้ก็ก็อยู่ไปเถอะแต่ว่าทำไม่ได้เนี่ยตายจะเลยดีกว่าแล้วก็คนตายมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอเอาเข้จริงมือระดับนางวิสาขาหมาอุบาสิกาเป็นประยะบุคคลระดับโซดาบันนะตั้งหลักไม่ได้ในเรื่องขนาดนี้ นเพราะแนวพิจารณาเ ร, จราจะบวขณะที่กล่าวไว้ในตอนต้นเรื่องพิจารณาสีห้าเรื่องเนี่ยต้องพิจารณาไปบ่อยนึกไว้ไปบ่อยคิดไว้ไป่อยในข่าวคนตายข่าวอะไรแต่อะไต่างๆเนี่ยนึกไว้นึกไว้เสมอเป็นแนวรูสติเตือนใจเห็นว่าเหตุอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างเงี้ยมีความเป็นอย่างนี้ไปธรรมดาตัตตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นนะเป็น กระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยของมันต้องฟังเป็นไรสิ่งที่ำจากมหาทนายศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเปหลายโดยทั่วกันสวัสดี